นัโมตัสสะภะวะวะโตอรหัโตสัมมาสัมบุตัสสะนัโมตัสสะภะวะวโตอรหโตสัมมาสัมบุตัสสะนโมตัสสะภะวะวโตอรหโตสัมมาสัมบุตัสสะ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 คือคาสั่งสอนของพระศาสดาวันนี้ก็เป็นวันพระหั ส, สบดีที่หมกราคมพุทธศักราช2560ก็ตรงกับวันขึ้น8ค่าเดือนสองปีระกาซึ่งก็ยังคงอยู่ในบรรยากาศของการต้อนรับปีใหม่กันอยู่ช่วงวันส่งท้ายปี หลายๆลายท่านก็นิยมที่จะทำความดีส่งท้ายและเพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดีในปีใหม่เป็นการสร้างกำลังใจเป็นการสร้างจุดเปลี่ยนที่ดีให้กับชีวิตของตนเองฉะนั้นในโอกาสนี้อาธมาภาพก็จะขอนานิทานจากพระไตรปิฎกคุตกระนิกายธรรมบทมาเล่าให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังกันสักสองเรื่อง ที่จะพอเป็นข้อคิดหรือใช้เป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้ตนดำรงอยู่ในทางแห่งความดีความถูกต้องมีสุขเป็นเบื้องหน้ามีที่สุดแห่งทุกข์เป็นผลที่สุดอันหนึ่งเรื่องแรกเป็นเรื่องของบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากคนหนึ่งในกรุงพาราณสีพ่อแม่ของเขาคิดว่า ตระกูลของเรามีทรัพย์มากถึง80โกดเมื่อเราตายไปเราก็จะได้มอบสมบัติเหล่านี้แก่ลูกลูกของเราก็จะได้เป็นอยู่อย่างสบายไม่ต้องประกอบการงานใดๆเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วก็ให้ลูกของตนเรียนแต่ศิลปะพวกการละเล่นมีการขับการฟอนการประโคมเพียงอย่างเดียว หรือจะพูดอีกอย่างก็ได้ว่าเลี้ยงลูกให้รู้จักแต่กินเที่ยวเล่นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้สอนให้ทำการงานใดๆเลยส่วนเศรษฐีอีกครอบครัวหนึ่งมีลูกสาวเป็นตระกูลบงังคั่งมีทราพย์ถึง80ดสโดเช่นกันอีกทั้งพ่อแม่ของหญิงสาว ก็มีความคิดเช่นเดียวกันกันกบตระกูลของเศรษฐีบุตรคือตระกูลของเราเป็นตระกูลมีทรัพย์มากไม่จำเป็นต้องให้ลูกสาวทำงานใดๆเลี้ยงลูกให้กินเที่ยวเล่นไปวันๆเมื่อบุตรและธิดาของตระกูลทั้งสองถึงวัยสมควรออกเรือนทั้งสองก็ได้แต่งงานกันและเมื่อถึงการที่พ่อและแม่ของทั้งสองฝ่ายถึงแก่กรรม ตระกูลทั้งสองก็ได้รวมทรัพย์เข้าด้วยกันรวมได้160หนึ่งร้อหกสิบโกดเนื่องจากทั้งสองไม่รู้จักทำงานรู้จักแต่การใช้จ่ายเพียงอย่างเดียวจึงเป็นที่หมายปองของเหล่านักเลงในพระนครครั้งนั้นพวกนักเลงก็คิดกันว่าถ้าเศรษฐีนี้ได้เป็นนักเลงสุราแล้วไซสพวกตนก็จะสบายไปด้วยเพราะฉะนั้น พวกเราจะทำให้เขาเป็นนักเลงสุราเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วก็ได้ไปดักรออยู่ระหว่างทางแล้วก็ตั้งวงสุรากินดื่มรอเศรษฐีเมื่อเศรษฐีเดินผ่านพวกตนก็ได้ทำการตะโกนบอกกับเศรษฐีว่าขอท่านจงเป็นอยู่100รอปีเถิดพวกเราเมื่ออาศัยท่านก็จะสามารถกินและดื่มได้อย่างสบาย เมื่อเศรษฐีได้ฟังแล้วก็หันไปถามคนใช้ของตนว่าพวกนั้นดื่มอะไรกันคนใช้ก็ตอบว่าน้ำหน้าดื่มชนิดหนึ่งได้เศรษฐีจึงถามต่อไปว่าน้ำนั้นมีรสชาติอร่อยหรือคนใช้ของเขากลับตอบว่าน้ำที่ควรดื่มเหมือนกับน้ำนี้ไม่มีอีกแล้ว ไม่ได้ฟังเช่นนั้นเศรษฐีก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นแม้เราเองก็ควรดื่มจึงให้คนใช้นำมาให้ตนแต่นิดหน่อยก่อนต่อมาเมื่อพวกนักเลงนั้นรู้ว่าเศรษฐีนั้นดื่มก็พากันไปแวดล้อมเข้าพวกด้วยเศรษฐีเศรษฐีก็ให้คนนำสุรามาให้ ด้วยรัพย์100กระหาปณ ะ, ะบ้าง200บ้างจ่ายรัพ์เพื่อให้นำของหอมดอกไม้มาบ้างให้รางวัล1น0 0บ้าง 2,000 บ้างแก่บุคคลผู้ที่ฉลาดในการร้องในการขับในการประโคมเมื่อเขาใช้จ่ายสุรุยสุร่าอย่างนี้ทรัพย์80โกดที่เป็นส่วนของตระกูลของตนก็หมดไป แม้เป็นอย่างนี้แล้วเขาก็ยังใช้จ่ายกินดื่มในแบบเดิมอีกจนทรัพย์อีก80สโกรในส่วนของภรรยาของตนก็หมดไปเช่นเดียวกันเมื่อทรัพย์หมดไปก็เริ่มที่จะขายข้าวของเครื่องใช้ขายเลือกสวนไรนาแม้ที่สุดก็ขายบ้านเพื่อที่จะได้นำมาใช้กินดื่มสุรากับเหล่านักเรง ครั้นเมื่อเขาแก่ตัวลงสมบัติทรัพย์สินก็หมดไม่มีเหลือก็ได้พาภรรยาเที่ยวขอทานเพื่อดำรงชีวิตเมื่อรู้ว่าสามารถได้รับอาหารอันเป็นส่วนเหลือจากพระก็ได้มาเฝ้าขออยู่ที่ซุ้มประตูทุกวันเมื่อพระสัสดาได้ทอดพระเนตรเห็นเขาและภรรยาจึงทรงแย้มพระโอษฐ์พระนนเมื่อเห็นพระสัสดาย้มพระโอษฐ์แล้ว จึงได้ทูลถามถึงเหตุของการแย้มนั้นพระองค์จึงตรัสตอบพระอนุลว่าอ น, นุลเธอจงดูบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากผู้นี้าลทรั 160. พย์หนึ่งหกสบโดพาภรรยาเที่ยวขอทานอยู่ในพระนครนี้ถ้าบุตรเศรษฐีไม่ผลทรัพย์ให้หมดสิน้นจากประกอบการงานในปฐมวัย ก็จกได้เป็นเศรษฐีชั้นเลิศในนครนี้แลและถ้าจาักออกบวชก็จกบรรลุอรหัตแม้ภรยาของเขาก็จกดารงอยู่ในอนาคามิผลถ้าไม่ผ่านทรัพย์ให้หมดไปจะประกอบการงานในมัชิมวัยจะได้เป็นเศรษฐีชั้นที่สองออกบวชจะได้เป็นอนาคามี แม้ภรรยาของเขาก็จะดำรงอยู่ในสกทาคามิผลถ้าไม่ผ่านทรัพย์ให้สิ้นไปประกอบการงานในปัจฉิมวัยจะได้เป็นเศรษฐีชั้นที่สามแม้ออกบวชก็จะได้เป็นสกัดทาคามีแม้ภรรยาของเขาก็จกดำรงอยู่ในโสตาปฏิผลแต่เดี๋ยวนี้ผู้เศรษฐีนั้น ทั้งเสื่อมแล้วจากโพค้าของขรรค์หัดทั้งเสื่อมแล้วจากสามัญญผลก็แลครั้นเสื่อมแล้วจึงเป็นเหมือนนกเกรเรียนในเปลือกต้มแห้งฉะนั้นซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องของบุตรของเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากส่วนเรื่องที่สองก็จะขอพูดถึงเรื่องของพระภายยะหลายท่านอาจจะรู้จัก และหลายท่านก็อาจจะไม่รู้จักพระพัยยะแต่ก็ไม่เป็นไรลองมาฟังเรื่องราวของท่านกันพระพัยยะนั้นท่านเป็นพระอระหันต์เอตัทคะรูปหนึ่งในพระศาสนาเป็นพระสาวกผู้เลิศในทางตรัสรู้ได้เร็วหรือบรรลุธรรมได้เร็วหลายท่านได้ฟังแค่นี้แล้วก็อาจจะมีความรู้สึกว่าคงจะสบายๆง่ายๆ เพราะดูเหมือนว่าเป็นผู้ที่เก่งมาแต่ต้นแต่แท้จริงแล้วกว่าที่ท่านจะได้ชื่อว่าเป็นเอตัคขาทางเดินชีวิตของท่านก็ไม่ได้โรอยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่เราคิดกันเนื่องจากว่าท่านก็เคยหลงผิดสำคัญตนผิดอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งเป็นช่วงที่ท่านได้ประสบอุบัติเหตุเรืออับปางแต่ก็รอดมาได้ โดยการเกาะแผ่นไม้กระดานแล้วก็ลอยมาสู่ท่าเรือชื่อสุปารากะในสภาพที่เปลือยคือไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มเลยเมื่อเปลือยอย่างนี้แล้วก็ได้นําปอพันท่อนไม้แห้งมานุ่งหม่มถือกระเบื้องจากเทวสถานมุ่งไปยังท่าเรือเมื่อคนทั้งหลายได้เห็นเขาแล้วก็มีความสําคัญว่า จากการนุ่งห่มแบบนี้คนผู้นี้ไม่มียึดติดใดๆเหลืออยู่แล้วก็ให้ข้าวปลาอาหารและก็ยกย่องเขาว่าเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเขาเมื่อคนทั้งหลายนำผ้าเข้าไปให้ก็มีความคิดว่าถ้าเราจากนุ่งหรือจากหม่มลาภสการะของเราจากเสื่อมจึงห้ามผ้าจากคนทั้งหลาย นุ่งห่มแต่เปลือกไม้เท่านั้นครั้นเมื่อมีคนยกย่องว่าเขาเป็นพระอรหันต์อยู่อย่างนั้นแล้วก็ได้สำคัญตนผิดว่าในบรรดาพระอรหันต์ที่มีอยู่ในโลกนี้ตนก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในนั้นเหมือนกันแต่ถึงอย่างนั้นด้วยความที่ตนเป็นผู้ที่มีกัลยาณมิตรมหาพรมองค์หนึ่ง ผู้ที่เคยปฏิบัติสมณธรรมร่วมกันกับพระพะ h ยะในสมัยก่อนพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากสปะได้ทราบความคิดความสำคัญตนผิดของเขาแล้วก็สลดใจอย่างมากจากนั้นก็ลงมาบอกกับเขาว่าพะ h ยะท่านไม่ใช่พระอรหันต์ดอกท่านยังไม่ได้บรรลุพระอรหัตตมักปฏิปทาของท่านเป็นเหตุ ให้เป็นพระอาหารหันต์หรือเป็นผู้บรรลุพระอาหารหัตมรรมก็ยังไม่ได้เลยเมื่อเ่าได้ฟังมหาพรหมพูดอย่างนี้แล้วก็มีความคิดว่าเรานี้ทากรรมหนักหนอเราคิดว่าเราเองเป็นพระอาหารหันต์แต่มหาพรหมองนี้มาเตือนเราว่าเรานั้นยังไม่เป็นพระอาหารหันต์หรือบรรลุอรหัตมรรเลย แล้วก็เกิดข้อสงสัยขึ้นว่าพระอาหารหันต์อื่นมีอยู่ในโลกหรือไม่จึงได้ถามคำถามนี้ต่อท้ามหาพรมและเขาก็ได้รับคำตอบว่าภาัยยะในพระนครชื่อว่าสาวัถีพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธะประทับอยู่ในพระนครนั้น อายาก็พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ด้วยทรงสแสดงธรรมเพื่อความเป็นพระอรหันต์ด้วยหลังจากที่เขาได้สนทนากับมหาพรหมเสร็จก็มีใจสลดอย่างยิ่งแม้ขณะนั้นจะเป็นเวลากลางคืนแล้วก็ตามเขาก็ได้ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงสาวัตถี มีระยะทาง120งยโยชน์ในทันทีบางอาจารย์ก็บอกว่าด้วยอนุภาพของเท้ามหาพรหมบางอาจารย์ก็บอกว่าเพราะอนุภาพของพระพุทธเจ้าทาให้เขาสามารถเดินทาง120งยโยชน์มาสู่เมืองสาวัตถีได้ภายในคืนนั้นคือมาถึงเมืองในตอนเช้า เมื่อมาถึงเขาก็รีบไปเฝ้าพระศาสดาที่เชตวันมหาวิหารโดยทันทีแต่ขณะนั้นเป็นเวลาที่พระองค์ทรงออกไปบิณฑบาตในเมืองเมื่อทราบความนี้จากพระที่อยู่ในวัดแล้วก็ได้รีบตรงเข้าไปในเมืองเพื่อเข้าเฝ้าพระศาสดาทันทีเมื่อเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแล้วเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเที่ยวบิณฑบาต ด้วยพุทธสิริอันหาที่เปรียบมีได้ก็ น, น้อมตัวเดินไปตั้งแต่ที่ที่ตนเห็นถาวายบังคมด้วยเบญจางขาปดิษ์ในระหว่างถนนจับที่ข้อพระบาททั้งสองแน่นแล้วกราบทูลว่าพระเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคต จงแสดงธรรมอันจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพระองค์สิ้นกาลนานเถิดพระศัสดาทรงห้ามเขาด้วยว่าพระองค์ทรงอยู่ในระหว่างการบิณฑบาตหลังจากที่พระองค์ทรงตรัสห้ามแล้วเขาก็ได้ทูลขอต่อพระสัสดาว่าพระเจ้าข้าผู้ท่องเที่ยวไปในสงสาร ไม่เคยได้อาหารหรือคาข้าวเลยหรือข้าพระองค์ไม่รู้อันตรายแห่งชีวิตของพระองค์หรือของข้าพระองค์ขอพระองค์จงทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์เถิดเขาทูลขออย่างนี้ต่อพระสัสดาอยู่ถึงสามครั้งในครั้งที่สมนี้พระศัสดาทรงตรัสกับเขาว่าพายาประเหตุนั้น เธอพึ่งศึกษาในศาสนานี้อย่างนี้ว่าเมื่อรูปเราได้เห็นแล้วรูปจากเป็นเพียงศักว่าเราเห็นในขณะที่เขาฟังอยู่นั้นก็ได้ยังอาสวะทั้งหมดให้สิ้นไปบรรลุเป็นพระอระหัสตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสีหลังจากนั้นท่านภายะก็ได้ทูลขอการบวช เป็นภิกษุในศาสนาพระพุทธองค์ทรงอนุญาตแต่ทรงให้ท่านภายะไปจัดหาเครื่องบริคารสำหรับการบวชให้เสร็จเรียบร้อยกอ่อนในขณะที่ท่านกำลังเตรียมหาบริคารสำหรับบวชมีบาและจีวารเป็นต้นอยู่นั้นก็ได้ถูกแม่นโนนมขิดจนถึงแก่ความตายในที่สุดอันหนึ่งนิทานทั้งสองเรื่องนี้ ถ้าเรามองกันให้ดีจุดร่วมระหว่างสองเรื่องนี้ก็คงจะอยู่ที่ความประมาทนั่นเองเรื่องของเศรษฐีบุตรก็ได้แสดงให้เห็นถึงความเพียบพร้อมคือเริ่มต้นจากดีแต่ดำเนินไปบนเส้นทางแห่งความประมาทไม่รู้จักขวนขวายในการทำมาหากินอีกทั้งไม่รู้จักขวนขวายในการให้ทานทาบุญแล้วก็คบหาแต่คนผ่าน ไม่รู้จักคบบัณฑิตคนดีนักปราดจนทำให้ตนไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเส้นทางเดินมาอยู่บนเส้นทางแห่งความดีรู้จักคนขวายการประกอบการงานและรู้จักที่จะทำบุญให้ทานสุดท้ายในบ้นปลายชีวิตก็จบแบบชีวิตนี้ดมเนินมาไม่มีประโยชน์อะไรเลยพระพุทธองค์ทรงสันเสริญบุคคลผู้ทำความดี แม้ทำเพียงวันเดียวก็ดีกว่าบุคคลผู้อยู่ตราบชั่วชีวิตแล้วไม่ได้ทำความดีเลยแม้นิดหน่อยดังพระบาลีที่ว่าโยจะวัสสะตังชีเวกุซีโตฮีนวีริโยเอกหั่งจีวิตังเสโยวีริยังอารพโตดันหั่งความว่าผู้ใดเกียรคร้าน มีความเพียรอันสามพึงเป็นอยู่หนึ่งรปีความเป็นอยู่วันเดียวของท่านผู้ปรารบความเพียรมั่นพระเสริฐกว่าชีวิตของผู้นั้นพระธํหรหดัชนีก็สอดคล้องกับนิทานเรื่องที่สองคือเรื่องของท่านพระพายยะผู้เป็นเอตทะคะด้านบรรลุธรรมเร็วจากที่ได้เล่ามาแล้ว แม้ท่านจะเคยหลงผิดสำคัญตนผิดมาก่อนแต่ในท้ายที่สุดเมื่อมีกัลยาณมิตรมาตักเตือนท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจหรือดื้อดึงอะไรแต่กลับเป็นสลดใจในการกระทำผิดของตนและรีบที่จะขนขวายแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งในกรณีนี้ท่านก็ได้เดินทางมาทั้งคืน เพื่อที่จะไปเข้าเฝ้าพระศัสดาเพื่อขอฟังธรรมจากพระองค์ด้วยจิตที่ตั้งไว้ว่าเราไม่อาจรู้ได้ว่าเมื่อไหร่เราจะตายหรือเมื่อไหรพระศัสดาจะปรินิพานฉะนั้นณเวลานี้ข่าวการมีพระชนชีพของพระองค์เราก็พึงรับทราบอีกทั้งชีวิตเราก็ยังเป็นไปอยู่ เราจึงต้องรีบมุ่งหน้าไปหาพระองค์ขอข้อเรียนรู้ศึกษาปฏิบัติกับพระองค์ให้เร็วที่สุดและหลังจากการได้ฟังธรรมจากพระศาสดาเพยียงไม่นานเลยท่านก็ได้ประสบมรณภัยคือโดนแม่โคโนมคิดจนถึงเกี่ยวความตายในที่สุดแต่การตายของท่านนั้นบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นการตายที่น่าอาาัศจแต่ถ้าเขาเหล่านั้นได้รู้ว่า ก่อนที่ท่านจะตายนั้นท่านได้ใช้ชีวิตของท่านอย่างคุ้มค่ามีประโยชน์ถึงที่สุดของการเป็นมนุษย์แล้วนั่นคือการที่ทำที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้งบรรลุคุณธรรมสูงสุดในพระศาสนานั่นคืออรัตผลมีผลให้ไม่มีทุกข์อีกต่อไปและผลจากการทาที่สุดแห่งทุกข์ได้นั้นก็ทำให้สามารถที่จะทาลายตัณหา ซึ่งพระองค์เปรียบไว้กับนายช่างผู้สร้างเรือนเพื่ อ, อตภาพให้กับเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุดลงได้การตายของท่านพัยะจึงเป็นการตายที่ประเสริฐแท้และสมกับสิ่งที่พระองค์คอยเน้นและคอยพร่ำสอนต่อบรรดาสาวกของพระองค์แม้ในวันที่พระองค์จะทรงดับขันธปรินิพานพระองค์ก็ยังได้ย้ำเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่พระองค์จะไม่ตรัสอีกและทำหน้าที่คือปริธานนั้นก็คือคำบลีที่ได้ยกไว้เป็นนิเคป บ, บทเบื้องต้นว่าวยะธรรมมาสร้างฆาราอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดทะความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาเทเถิดสรุปความว่าเนื่องด้วยวันปีใหม่นี้สําหรับคําอวยพรคําอันเป็นมงคลใดๆทุกท่านก็คงได้ยินได้รับกันพอสมควรแล้วซึ่งคําอวยพรอันเป็นมงคลทั้งหลายเหล่านั้นก็คงจะเป็นตัวสร้างกําลังใจสร้างโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตนให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป และเมื่อเปลี่ยนหรือเริ่มต้นอะไรที่ดีๆแล้วก็ขออย่าให้มีความประมาทเข้ามาเป็นตัวขัดขวางสิ่งดีที่เราทำหรือได้เริ่มทำมาฉะนั้นการมีสติมีความเพียรมีขันติก็เป็นกุณธรรมที่อาตมาภาพอยากจะให้ทุกท่านเจริญให้มากเพื่อที่จะได้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทในวัยในชีวิต มันทำบุญกุศลและเป็นผู้ที่ชื่อว่าดำเนินตามรอยบาทพระสัสดาที่ได้บรรยายรรมาก็เห็นสมควรแก่วเวลาก็ขอจบพระธรรมเทศนาลงแต่เพียงเท่านี้เอวัง